อาจารย์ครับกลาวนาัสกานครับผมจริย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัญญะธรรมครั้งที่สองร้อยห้าสิบเจดนะครับอาจารย์ครับอีกสามครั้งก็ผ้าไปนี้ะขอผ้าปีแล้วครับอาจารย์ต้องกล่าวก่อนว่าคุณรอาจารย์เรียนามอะไรใช่ครับอาจารย์ก็ไมผลที่ว่าจะจะเอนมาถึงถึงตอนนี้นะ ครับอาจารย์ไมมแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอ น, อร น, น, อนครับเออถ้าแล้วแต่ว่านะพูดไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดครับทำไปรเรื่อยๆตามํามไม่ตามเกิดครับผมผมก็ผมก็ได้พระอาจารย์สอนว่า ก, ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยก็ทำไปเรื่อยแต่มีความตั้งใจจะทำไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์จนหมดแรงครับเพราะที่พระอาจารย์บอกไว้ครับ จนหมนเหตุปัจจัยเหตุปจัจจัยมันมีหลายอันด้วยกันครับผมก็ดีถ้าเป็นคนเป็นประโยชน์ก็มันก็ทําให้มีกําลังใจในการที่จะมาทําถ้าทําไปแล้วไม่มีคนไม่ประโยชน์ก็จะทําไปทําไมครับผมผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็สัปดาห์หนึ่งก็พันกว่าคนก็ได้ได้ประโยชน์จากการที่มาฟังรายการที่พระอาจารย์เมตตานะครับพระอาจารย์ครับอืม ดูนยอนหลังก็มีเยอะมันไหมคอ๋อใช่ครับดูย้อนหลังก็ใช่ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเมื่อเช้าคนไปใส่บาตกันเยอะไหมครับผมวันนี้ประมาณสี่ร้อยแปดสิบเก้าอ๋อวันนี้เยอะขึ้นมากกว่าปกติหน่อยนนเกือ่าือมากกว่าปกติปกติประมาณสี่รอยห้าสิบอันนี้กอยครับผมแล้วตอนบ่ายล่ะครับพระอาจารย์ครับ ประมาณก็เกือบร้อยแปดสิบบางท่ไม่ได้จำครับผมหรือก็แปดรอยกว่าเหมือนเดิมเท่าเดิมครับวันนี้เมื่อตอนบ่ายผมก็มีโอกาสได้ฟังซึ่งปรับอากาศของใจนะครับอาจารย์ครับที่อาจารย์เทพครับครับผมบุญบุญคำการทาบุญที่ทําให้ใจเราเย็นนงครับผมครับผมวันนี้ฟังอยู่ครับพระอาจารย์ครับ อาจารย์ครับวันนี้เรื่องปัญญาสามระดับเพื่อการพ้นทุกข์ครับพระอาจารย์ครับอยากเกาะกราขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับผมปัญญาทางวัตถุศาสนานี่มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันต่างจากปัญญาทางโลกทางปัญญาทางโลกอาจจะมีแค่สองขั้นตอนคือศึกษาแล้วก็ไปทําข้อสอบสอบผ่านก็เอาไปรับปัญญาเอาไปใช้ได้ ในทางทางธรรมนี้เรามีสามขั้นตอนด้วยกันสามขั้นขั้นแรกเรียกว่าสุตตามยาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เช่นตอนนี้นรามาฟังเทศน์เนีเราฟังเรียนรูจ้จากจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นเนี้กว่าสุตต์สุตต์ก็มาจากคำว่าพระสูตเนี่ย ไว้ก่อนพระเจ้าแสดงทำแต่ละครั้งเรืยกว่อเป็นพระสูตรเป็นสูตรตะอพระสูตรแรกก็คือธรรมจักรกับประวตนัสูตรเอ น, นักศึกษาก็มีอยู่ห้าคนก็คือพระปัญจวคัคคีทำที่พระเจ้าทรงสอนก็คืออริยสัจสีที่ไม่มีใครรู้มาก่อน อ, อ, อันนี้เป็นการเรียนรู้อริยสัจสี่เป็น เป็นแสดงทั้งเหตุทั้งผลของทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรและการจะทำให้ทุกดับนั่นจะทำให้ทุกข์ดับได้อย่างไรหลังจากที่ฟังไปแล้วก็มีผู้ที่ได้ฟังหนึ่งในท่านบรรลุเป็นพระสุธรรมันขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวอาจจะพูดไกลไปหน่อยนะพูดแค่สุดตามพปัญญาะก่อน โดยดั้ปัญญาปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธจาพระพุทธธรรมหรือพระสงค์อาจจะอาจาอาจะ อ, าจา อ, าจาอ่านหนังสือธรรมะก็ได้อาจจะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดถึงก็ได้แต่เป็นความรู้ที่เราจะสามารถเอามาใช้ในการดับทุกข์ได้คือพระอริยสัจสี่เนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธธรรมส์มาสอนเราก็จะไม่รู้ ในขั้นแรกเราต้องศึกษามันเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าวิธีการดับทุกข์นั้นดับยังไงท่านก็สอนให้เราด้วว่ามันทุกข์เกิดจากเหตอะไรก่อนเหตุก็คืดความตันหาความอยากมันจะทําให้ความทุกข์หายไปก็ต้องละตันหาความอยากด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่คือสุดตานวยะปัญญาปัญญาที่เราเรียนรู้ขั้งแรก ีปัญญาคั้นที่สองเราเรียกจินตามรยะปัญญาอันนี้ท่านบอกว่าเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้นี่มาค่ายควรมาพิจารณาทบทวนทำความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจอย่างัางจแจ้งว่าทุกเกิดจากอะไรและ ว, วิธีดับทุกตุองดับได้อย่างไรเพราะบางฟังขั้งแรกแล้วมันอาจจะไม่เข้าใจเราต้องเอามาพิจารณามาทาการบ้านให้ก ให้เข้าใจใแล้วก็ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะว่าต่อไปเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจได้รู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราเช่นเราเราทุกข์ใจตอนไหนตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยกันโดยเฉพาะถ้าไปเจอโรคภัยไข้เจ็บที่มันมันรุนแนงหรืมันรักษาไม่ได้ใจจะทุกข์มากใจจะเครียด ม, มาก เราก็จะจำได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าความเครียดความทุกข์นี้เกิดจากสัญหาความอยากความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปจากใจเราก็ต้องหยุดรัความอยากไม่ไ ม, ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้ด้วยการยอมรับความจริงว่ายังไงก็ต้องเจ็บยังไงก็ต้องตายเพราะนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกาย ที่มันเกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามแต่เราสามารถแก่เจ็บตายแบบไม่ทุกได้ถ้าเราทราบสาเหตุขงของความทุกของเราว่าเกิดจากความอยากของเราเองความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเรายังทุกอยู่แสดงว่าปัญญาที่เร า, เราได้เรียนรู้มาหรือเอามาทบโต้นี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้ เพราะว่ามันยังไม่เป็นปัญญาขั้นที่สามที่เราเรียกว่าภาวนาเมยปัญญาการที่จะทําให้ปัญญาขั้นที่สามเกิดขึ้นได้นี้ต้องมีการปฏิบัติสมาธิให้จิตของผู้ปฏิบัตินี้มีกำลังสู้กับความอยากถ้ายังไม่มีสมาธินี้ยังไม่มีกาลังที่จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าได้ไปฝึกสมาธิมาแล้ว เรื่องหลังจากที่จะ ก, ก่อนเรื่องหลังก็ตามถ้ามีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยพอเราได้ยินในฝัง่งธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะดับความทุกข์ได้ ท, ทันทีเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเพราะเราจะรสาเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิดจากความอยากแล้วเราก็มีกําลังที่จะยุดมัน ไ, ได้คือเรามีสมาธิดังนั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้จะกลายเป็นขั้นที่สามโดยอัตโนมัติ ถ้าเรามีสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิเข้าฌาญได้เข้าอัปปนาสมาธิได้จิตที่มีสมาธินี่มีกําลังหยุดหยุดกิเลสได้หยุดตัณหาข้ามอยากได้แต่จิตที่ไม่มีสมาธินี่หยุดไม่ได้อย่างพวกพระปัญจวัคคีย์นี่พอฟังธรรมขั้นแรกก็บรรลุได้เลยหยุดคาําอยากได้เลยเพราะว่าท่านมีสมาธิอยู่แล้วท่านเข้าฌาญได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาท่านไม่รู้ว่า เอกของความทุกข์ใจนั้นเกิดจากตัณหาความอยากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระพุทธเจ้าบอกให้ละตัวนี้เสียความทุกข์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความแก่เจ็บตายนี่หายไปเลยถ้าเรู้อลต่อไปนี้ถ้าไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วนแต่สําหรับพวกเรานี่ยฟังกี่ครั้งกี่หนก็รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ตายแต่พอเจอความเจ็บเจอความตายทีไรยอ้ยอนจะเจอเลยเพงแต่คิดถึงมันแท่นี้ก็ กระทุกขึ้นมาแล้วแสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิที่จะมาหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้ดังนั้นสิ่งที่เร า, เราทําต่อไปหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังทำแล้วเข้าใจหลักทำว่าความทุกข์ของเราเกิดจากปัญหาความอยากแล้วสิ่งที้เราต้องไปทำก็คือทําสมาธิ เราจะทำสมาธิเราก็ต้องมีศีลเนเครื่องสนับสนุนศีลแปดหรือศีลสิบศีลสองรอยี่บเจ็ดแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มันบรรลุผลได้เร็วหรือช้าถ้ามันรลุเร็วก็ไปบวชเลยถอศีลสองรอยิบเจ็ดจะได้มีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิได้สมาธิมาหลายปั๊บเนี่สามารถดับความทุกข์ใจเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายได้เลย แต่ถ้าเรายังอ้ อ, อยเงกับความสุขทั้งโลกอยู่ขอถือศีลแปดแค่อาทิตย์ละวันวันพระมาปฏิบัติอันนี้มันก็ต้องใช้เวลาไปก่อนกอาจะได้สมาธิไม่รู้อีกกี่ปียังไม่ได้ขึ้นทางด่วนถ้าขึ้นทางด่วนโอกาสที่จะได้สมาธิมันง่ายกว่าเวลาที่เราอยู่ขับรถอยู่ใต้ทางด่วนเวลาบวนนี้ถือว่าเราได้ขึ้นทางด่วนนะเพราะเราไม่มีภารกิจยางเหมือนต้องทา เปนบทนี้มีภารกิจก็คือการมาเจริรักษาศีลเจริญสติให้ก่อสมาธิแล้วก็เรียนรู้ทางด้านปัญญาแล้วนี้แต่ถ้าเราเป็นคารวะนี่เราต้องทํางานทำมาหากินอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีวันหยุดสองวันเราจะแบ่งวันหยุดมาให้กับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิหนึ่งวันแต่มันไม่พอกําลังมันไม่พอในที่สุดก็ต้อง ต้อเอาแบบเต็มที่ไม่ได้เอาแบบมือสมัครแม่นมือสมัครแม่นก็ทําช่วงวันหยุดวันที่เราว่างถ้ามืออาชีพก็ทําทุกวันเลยต้องบฏิบัติทุกวันส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นมืออาชีพก็จะเป็นผู้ที่ได้บรรลุมากผลในพานอวัยคุบาจาร์ต่างๆนี้ส่วนใหญ่เป็นพระทั้งนั้นเป็นพระนัง่งบวชคารวัลอาจจะมีบ้างคนสองคนเป็นกรณีพิเศษ ขณะจะมีสมาธิมาตตาชาติก่อนเนะี่อันนี้ก็เป็นไปได้พอท่านศึกษาอริยสัจสี่ท่านก็เข้าใจท่านก็สามารถหยุดปัญหาความอยากได้ดังนั้นโดยสรุปถ้าเราได้ศึกษาอริยสัจนสะีแล้วเรารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากปัญหาความอยากแต่เรายังดับความทุกข์ไว้ได้ก็แสดงว่าใจเรายังไม่มีสมาธิต้องไปฝึกสมาธิก่อน แล้วเราก็จะได้ปัญญาระดับที่สามคือภาวนามยาปัญญาจากสุดตาก็ได้จากกินตาก็ได้ปัญญาทั้งสองนี้จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาเมื่อเราสร้างสมาธิขึ้นมาในใจสิ่งตอนนี้สิ่งที่เราขาดตอนนี้ก็กําลังหยุดกิเลสกําลังหยุดความอยากผู้ที่จะให้กําลังหยุดความอยากก็คือสมาธินี่ พอาจารย์ครับคนที่ถึงปัญญาระดับที่สามได้ในโลกนี้ก็มีมีน้อยมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ก็ต้องผู้ที่เข้าฌานได้นะว่าถ้าไม่เข้าฌานก็ได้แค่ระดับที่หนึ่งที่สองซึ่งเยอะเนียคนศึกษาธรรมมากกันเยอะบางทีก็ลงลงคิดว่าสามารถบรรลุธรรมได้ได้วยปัญญาขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองนี้ให้คิดบ่อยๆคิดบ่อยๆจนจิตยอมน้ำแล้วยอมป่อย อันนี้ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าคุณหมอลองทำอยู่เลยไม่ไม่สำเร็จเลยครับใช่ไหมยังกลัวความเจ็บอยู่ยังกลัวความตายอยู่ยังไม่อยากเจ็บยังไม่อยากตายอยู่ครับท่านท่านที่รู้ว่ามันกามไม่อยากเจ็บไม่อยากตายทำให้เราทุกข์ทให้เรากลัวขึ้นมาแต่ก็อดไม่ได้ครับแต่ถ้าฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งบนเบาะขาได้ มันจะเฉยได้จะหยุดความอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายได้จะไม่ทุกกับความแก่เจ็บตายได้เอาพย<ล><ต>ายา<ต>มพยายา ม, ม, ม, ม, มให้เข้าถึงปัญญาระดับขั้นที่สามด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิขั้นที่หนถึงที่สองนี่มันง่ายตอนนี้เราก็ได้ได้ยินได้ฟังอริยสัจสีแล้ว แต่เราไปปฏิบัติไม่ได้แลเราหยุดตันหามขออ้ามยามไม่ได้เพราะว่าการเข้าสมาธิยากก็เลยบางบางบางท่านก็เลยสอนบอกว่านี่เป็นทางลัดเนี้ยครับพราาะอาจารย์ที่ได้ยินมาได้ยินนั่นนว่าเป็นยัง้งสมาธิไม่ต้องทําให้เสียเวลาสมาธินัางไปไม่ได้อะไรนั่งใจนิ่งๆเฉยๆเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคือความนิ่งนี่แหละที่เราต้องการปัญญามัน ความรู้มันอยู่ที่ปัญญาแต่สมาธิมันอยู่ที่ความนิ่งนะครับพี่ว่านั่งสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญานี่เข้าใจผิดครหลวงตาเคยยืนยันยืนยันนอนยันว่าสมาธิไม่ทําให้เกิดปัญญาครับสมาธิทําให้เกิดอุเบกขาทําให้เกิดความนิ่งเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบแต่ปัญญาไม่เกิดปัญญาต้องมาฟังเทศฟังธรรมหรือวิเคราะห์ เรอได้ยินใน้ฟังแล้วก็นำมาพิจารณาให้จนเกิดความเข้าใจว่าทุกของเราเนี้เกิดจากปัญหาความอยากของเราเองอาจารย์ครับอย่างสูตรมยาปัญญากับจินตามายาปัญญานี้อ่าก็พอดับทุกข์ได้บางครั้งใช่ไหมครับก็อยู่ที่อยู่เครับอยู่ที่สมาธิของเราว่ามีกําลังมากน้อยเพียงไรอาจจะไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นอาจจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบเปอร์เซ็นต ทุกบางอย่างที่เป็นเรื่องเบาๆแล้วก็ดับได้แต่เรื่องสังโยชน์นี่คือยากเพราะมันใกล้ตัวเป็นใกล้เป็นของที่เรารักเราหวงมากคือขันห้าร่างกายความรู้สึกนิดที่ตเลนี้เราลักเราหวงมากในของภายนอกเราอาจจะทําใจได้เสียแฟนไปเสียลูกไปเสียสมบัติเจ้าของเงินทองไปนยังพอจะทําใจได้้องคนยากนีะเสียภรรยา หลวงปูกาวในประวัติของท่านท่านเสียภรร ย, ยาไปให้กับชู้พอท่านท้าบขา่าวตอนต้นท่านก็หน้ามืดคิดจะไปฆ่าเขาพอดีได้สติกับขึ้นมาว่าถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็เราก็เลยบอกเขาซะเองเขาเพิ่งแต่ไปนอนกันเล่มกันนี่เราไปฆ่าเอาเลยท่านก็ไปเห็นทุกข์ของการเป็นคารวะทุกข์ควงเมื่อยสูญเสียของที่รักไปท่านก็เลยไม่เอาที่กับตัดของสมบัติภายนอกไป ทำารัยนหน้าก็คือคนหรือว่าเข้าของเงินทองแล้วก็ไปบวชเป็นพร ะ, ะตัดหน้ในระดับนั้นแต่บางคนก็ตัดไม่ได้นะถ้าเสียแฟนไปนี่บัน ด, ดีเศร้าโศกเสีสยใจอาคาตพยาบามจองเมรจองกรรมกัมนเท่นี้ก็แล้วแต่ความความสงบของแต่ละคนมันมีไม่มีมากน้อยไม่เท่ากันอันนี้ความสงบที่ยังไม่ใช่เป็นอัปปนาสมาธินะ ควาพอใจคือมีสติในระดับหนึ่งที่คอยควบคุมความคิดความฟุ้งซ่านต่างๆได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซน์ที่ทำให้จิตนอมเป็นสมาธิขึ้นมาทนี้คนที่จะมาบวชไดน้นีก็ต้องมีสติในระดับหนึ่งที่ยอมตัดยามชั่งละล่ามยศสร ร, สรเสริญสูงโลกธรรม ท, ทั้งสี่ไปครับก็ต้องมีสมาธิเหมือนกัน มีสติอย่างเลี้ยวสมาธิเขารียมันยังจิตยัไม่ล่มแต่มีสติพอที่จะควบคุมความอยากได้ในระดับหนึ่งมีปัญญาเห็นเมื่อาลาบลาบยศสรเสริญสูงนี่มันเป็นอันนี้จำทุกขังอล้วนักดาเปนทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะไปติดมันไม่อยากให้มันไม่เสื่อมอยากให้มันเจริญตลอดเวลาพอเวลาเสื่อมขึ้นมามันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมา เพรานัปัญญาสอระดับนี้ก็ยังใช้ดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความสงบของเราว่าเราเรามีมากน้อยเพียงไรเราสามารถหยุดหยุดความอยาได้มากน้อยเพียงไรความอย่างกบางอย่างมันไม่รุนแายก็หยุดได้บางคนเลิกหนึ่งสุราได้บางคนเลิกสูบบุหรี่ได้บางคนจะไปเิกไม่ได้กําลังหยุดมันมีไม่ไม่เท่ากันในแต่ละคน บางคนไปบวชได้บางคนไปบวชไม่ได้ขอบคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับมีคนถามเข้ามาว่าแล้วทำไมระดับสติปัญญาของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันอย่างนี้เกิดจากเหตุปัจจัยใดได้บ้างครับก็ เ, เกิดจากการที่เราพัฒนามันหรือไม่พัฒนามัน่อบางทีเราอยู่กับคนฉลาดเขาว่าสอนให้เราคิดสอนให้เรารู้สักใช้สติใช้ปัญญา ถ้าเราไปอยู่กับคนง้วเขาก็ไม่รู้เรื่องคุณค่าของสติของปัญญาเขาก็ไม่สอนพระเจ้าในบคุคคลสวดจึงสอนว่าให้เลือกคบคนฉลาดอย่าไปคบคนง้อคนม่อเขาจะสอนให้เราง้อคนฉลาดเขาจะสอนให้เราฉลาดอย่างหมอไปหมอไปคบกับคุณหมอทั้งหลายแล้ว ไ, ได้มาเป็นหมอเนี้ถ้าไปคบกับคนเล่นการบันทเทิงบ่อนนี่ก็รับรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นหมอแน่ เขาจะสอนวิธีเปิดบ่อนให้วิธีเล่นการพนันให้ครับอาจารย์ครับอะไรอย่างเราถ้ามีความตั้งใจศึกษาเป็นนิสัยแล้วพอข้ามภพข้ามชาติไปเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะยังฉลาดอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มันก็ติดเป็นทั้งเป็นนิสัยมันก็ติดไปครับผมคุณดาบอกว่าปฏิบัติวิปัสสนามาหลายปีครับดีขึ้นมากในการใช้ชีวิต อยู่อยู่ติดปัญหาหนักไม่สามารถนั่งภาวนาต่อได้เลยครับพระอาจารย์ต้อขาดสติต้องกลับมาเพิ่มที่สติก่อนหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ควบคุมจิตให้อยู่กับกรรมาฐานอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับถ้ายังไม่ได้นั่งสมาธิามีการเคลื่อนไหวทางร่างกายก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั้งวันทั้งคืนแล้วจะได้สติคืนมา ในเวลนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ภาวนามาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวนี้พอนั่งหลับตา น, นึกถึงพุทโธปุ๊บลมหายใจละเอียดแล้วสั้นลงทันทีแบบนี้คือสามารถเข้าสมาธิได้เร็วในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่ทราบเป็นสมาธิะนะ ห, าาาหรือเปลนะ่าอาจารย์ก็ต้องดูไปอย่าไปสนใจนะว่าเร็วน้อช้าขอทำการขอให้มันลง มันนิ่งเฉยได้มันสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาตอนนี้มีคุณแม่อายุ84ปีครับความจำเริ่มหลงลงืมลืมเป็นบางครั้งครับอยากขอคาแนะนำครับพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องธรรมดาความจำมันก็เสื่อมได้สัญญานิจจาสัญญาเกือเป็นของที่บางทีเราก็ลืมได้มบางเรื่องได้แต่ถ้าเป็นปัญญาจะไม่ลืม เคยมีหลวงตาท่านเคยดล่ า, า่ามีคนถามว่าผ้าานนี่ลืมอะไรได้ไหมได้ลืมชื่อคนนันมม้นลืมชื่อคนนี้เดือนวันเดือนปีนเดือนนั้นเดือนนี้ลืมหน้าพูดเป็นสัญญาความจําอนิจจังมันไม่เที่ยมแล้ว ม, มีอะไรที่ไม่ลืมไหมมีอะไรก็คืออริยสัจสี่ตายรักนี่มันไม่ลืมเพราะมันเป็นปัญญามันไม่ได้เป็นความจํามันเป็นความจรงิมมจรงมันเห็น การนําเงินไปโปรยทานไปใส่ตู้ค่าไฟฟ้าที่วัดอย่างนี้สามารถจะทําได้ไหมครับอาจารย์ได้ก็เป็นการช่วยแบงบาพละเขาเรียกนหนี้ของสงฆ์เลยสงฆ์เดี๋ยนี้มีมีหนี้มากเพราะต้องดูแลวัดค่าใช้ใจ่ายเยอะค่าน้ําค่าไฟแล้วบางวันนี้มีมีสถานเท้าวัวัดถุยเยอะคอยบรบิอนัดซ่อมแซมคอยดูแลทำความสะอาดอยู่ในื่อยก็ต้องใช้จ้างคน ง, งานเพราะไม่อยากจะไปรบกวนพระ มาบวชเพื่อให้ได้ปฏิบัติให้ให้ท่านได้ศึกษาปฏิบัติธรรมในงานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดอูแลวัดหรือารามนก็จะยกให้เป็นเป็นหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมมาช่วยสนับสนุนคุณธรรมชาติบอกว่าฝากถามวิธีการสอนลูกหลานเรื่องความกตัญญูครับอาจารย์เราก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง ถ้าเราไม่ทำเป็นตัวอย่างเขาก็จะไม่เขาก็ไม่ทําตามแเราอยากจะให้ลูกกาพ้าเราก็ต้องกาบกาบให้เขาดูเราอยากจะให้เขาทำเราก็ต้องทําให้เขาดูอย่างบา nos, วลาทั้งหัวแม่ปูสอนลูกปูอย่าเป็นแบบแม่ปูสอนลูกปู่แม่ปูสอนให้ลูกยันตรงๆแต่ตัวแม่ยังเฉยไปเฉยมาถ้าพ่อแม่สอนให้ลูกอย่าสูบไปเลยแล้วตัวพ่อแม่ยังสูบไปเลยให้ลูกเห็นอยู่นี่ลูกวันไม่เชื่อหรอก ก็อาจจะสูบต่อหน้าไม่ได้ก็ไปอปสูบรับหลังเราต้องสอนเขาด้วยด้วยการประคุตของเราเองอของพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนให้ทำอะไรท่านทำอย่างนั้นเราถึงเชื่อศรัทธาในพระพุทธเจ้าเต็มร้อยอยากถามเรื่องบทสวดที่มีขันหนึ่งขันมีขันสี่ขัน กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีอยากจะขอคำอธิบายจากพระอาจารย์ไว้ความเข้าใจมากขึ้นครับเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ขันสีมันก็นำมาขันนะคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันติดไปกับจิต น, นะเวลาตั้งกายตายไปขันหนึ่งก็คือรูปขันจานี้กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปก็เหลือขันสี่แต่ ที่ว่ายังมีขันอยูอย่นี่เราห้เจ้าท่านหมายถึงขันไหนครู้คราถ้าถ้าเป็นรูปประคันก็กลายเป็นดินน้าลมไฟไปแล้วหายไปแล้วหมดแล้วเหลืออยู่แค่นามขันเหลือต่เวทยาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไปกับดวงวิญญาณ ร, รูปที่ไว้หน้าศพพอเสร็จแล้วเผาทิ้งได้ไหมครับเพราะตัวเองแก่แล้วอายุเจสิบสองไม่รู้จะตายวันไหนครับ ได้จะทําังไงก็ได้ถามเรื่องอนัตตาค่ะพระอาจารย์อนัตตาคือไม่มีตัวตนไงเช่นอะไรไม่มีตัวตนใบไม้นี่มีตัวตนไหมด อ, อกไม้มีตัวตนไหมขนมทุเรียนผลไม้ทุเรียนกล้วยนี้มีตัวตนไหมนั่นแหละก็คือร่างกายก็เหมือนกล้วยเหมือนทุเรียนนี่ไหม ไม่มีตัวตนเป็ทา่านุทำมาจากาธาตุสีดินน้ำลมไฟจิตก็ไม่มีตัวตนจิตก็เป็นตัวตัวรู้ตัวคิดท่านเองตัวตนเกิดจากความลมของจิตที่มุงแต่งขึ้นมามในคนเขียนหนังสือนิยายนุงแต่งเรื่องอะไรขึ้นมาก็มุงแต่งได้แล้วก็ไปเชื่อว่าเรื่องที่ตัวเองมุงแต่งนี่เป็นเรื่องจริงไปตัวตนนได้มีพจ ะ, ะเจกสวสเปตมาณตตา ทำทั้งปวงซิ่งทุกสินงทุงทอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีตัวตนเป็นธาตุเป็นธาตุาสีดินน้ำอมไทธาตุห้าธาตุาารู้เมื่ออวกาศสะธาตุมีแค่นี้เมืม่อมารวมตัวกันก็ทำให้เกิดต้นไม้ภูเขาใบหญ้าอะไรต่างขึ้นมาแต่ไม่มีตัวตน การบวชใจที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับและให้ผลบุญต่างจากการบวชกายอย่างไรครับบวชใจก็คือเราถือศีลดยที่ไม่ต้องไปอนลาธนาไม่ต้องใส่นุ่งขาวห่มขาวหรือนุ่งเหลืองห่มเนหลืองรักษาศีนไปแะคนที่เขาบวชกายบางทีเขานุ่งขาวห่มขาวแต่เขาไม่ได้รักษาศีนนะเขาแต่งกายแบบโกโก้ให้คนรู้ว่าเราเหมือนกัเรา เราเราบวชนี้แต่เราไม่ได้บวชนะเพราะโดยสัญลักษณ์ของผู้ที่ใส่ชุดขาวก็ม่าจะคิดว่าเป็นผู้ที่ถือศีลแปดกันใช่ัหมขึ้นไปใครต่างชุดขาวใครต่างชุดเหลืงองก็ถือว่าเป็นนักบวชถือศีลสองอยิบเจ็ดนะแต่สมัยนี้ขอทางบางคนบางคนก็เอาเอาเอาผ้าเหลืองมาห่มเราขอทานชาวบ้านก็มีเก็เรียกว่าบวชกายแต่ใจไม่มีศีลไม่มีไ ม, ไม่ไม่มีการบวชอย่างนใจเลย ไม่มีสีนไม่มีธรรมสมาธิจิตว่างกับจิตยิ้มเรียกตามปริยัติว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันเวลาจิตสงบจิตก็จะ ว, ว, ว่างจากความคิดปุงแต่งว่างจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหมืออยู่แต่ความสงบเมือเดียวความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เวลาเราทำบุญอธิษฐานขอผลบุญให้ส่งถึงลูกที่อยู่ไกลได้ไหมครับไม่ได้หอขอได้แต่ไม่ได้ผลเพราะว่าบุญบุญของใครต้องทำกันเองเหมือนกินข้าวเที่ดินแทนกันไม่ได้ระหว่างการทำสมาธิและการทำวิปัสสนามีความจำเป็นจะต้องทำทั้งสองอย่างไหมครับก็จำเป็นแต่ก็ต้องทำทีละขั้น เป็นเหมือนกับศึกษาปอทปปตีกับปอโทขั้นตอก็บจบปอตีก่อนแล้วก็ไปทำปอโทต่อการศึกษาการปฏิบัติสนาธิก็เหมือนกับการการเรียนปอตีให้จบปอตีก่อนพอจบปอตีแล้วก็ไปต่อปอโทอีกทีหนึ่งที่ได้ปัญญาถ้าจะไม่เกิดจะต้องทําอย่างไรครับอาจารย์ก็ต้องหยุดความอยากทั้งสาม ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสในอกามรตารยาความอยากไม่อยากเป็นอยากลาบอยากรวยอยากเจริญในลาบยศสารเสริญสุขเนี่ยแล้วก็หยุดวิภาวดารยาความความอยากความอยากไม่ให้เกิดก็คือไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากให้ลาบยศสารเสริญเสื่อมไม่อยากให้แก่เจ็บตายความอยากทังนี้ต้องไม่มีอยู่ภายในใจใจต้องเป็นสัตว์แต่ว่ารู้เฉย รูกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเกิดก็ปล่อยเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยก็ดับไปแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นวัดถ้าไม่มีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นวัดก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกยื่นได้ไม่ต้องไม่ต้องมีร่างกายขอโอกาสถามว่าเรื่องต้นไม้หักใส่คนภาวนาเราควรทําอย่างไรไม่ควรไปภาวนาใต้ต้นไม้ใช่ไหมครับ ได้ก็พระพุทธเจ้าพระ อ, อะไรก็ตายทํามาปเปียงแต่เสังเกตดูต้นไม้เก่อนมันมีกิ่งที่มันเก่าแล้วมันมันอาจจะหักร่วงลงมาไม่ไม่สังเกตดูเท่านั้นเององั้นก็ขับลถนี่มีรถมีมีคานถล่มลงมาทําไมก็แสดงว่าต่อไปก็อย่าไปขับรถเลยใชล้ทางหลวงนี่มันก็เป็นคานหลนดุลลงมาทําให้คนตายกันอยู่เรื่อยๆก็ต้องอย่าประมาทท่านั้นต้องรบอบคอบ เราจะไีอยู่ใต้ใต้ตรงไหนที่สูงกว่าเราแล้วก็มองขึ้นไปนดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรข้างบนเขาแข็งแร ง, ขงแข็งแกร่งไหมเขาไม่มีโอกาสที่จะหักลุนนอมาทับเรหรไม่ถ้าเราไม่เลือกสถานที่ไม่รอบค่าเราก็อาจจะโดนกิดไม้หักของสายเราก็ได้แต่มันเป็ น, เ, ปนเหตุการณ์เฉพาะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน แล้มันเป็นจังหวะที่พอดีเรานั้นไปอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วมันเป็นจังหวะที่กิ่ง ม, มันจะหักพอดีเท่านั้นแหละก็แต่เราต้องมองภาพดูว่ามันโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาที่เราไปนั่งมันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่โอกาสมีหรือไม่อาจจะมีถ้าเราไม่รอบครอบถ้าเรารอบครอสบสังเกตดูอกิ่งมวม่านว่าน ม, มันยังเขียวอยู่โอกาสที่มันจะหากคงจะยาก แต่ถ้ามันแห้งแล้วนี่มันอาจจะนอมองก็ได้อาจารย์ครับอย่างนี้เราจะมองเป็นกฎแห่งกรรมได้ไหมครับหรือว่าต้องมองว่าเป็นอนิจจังครับอาจารย์ได้ทั้งสองอย่างกฎแห่งกรรมกับอนิจจังก็ได้ครับตอนนี้เมื่อวานนี้มีคนมีเก่งน้อยหักคนที่คนมาฟังเทศนท์ฟังธรรมบอแล้วถ้าผัวคนฟังเป็นผู้หญิงเลือดเลือดออกต้องพาไปเย็บเจ็ดเข็มเมื่อวานนี้โอ้โครับผ แต่กวันนี้ก็มีคนกลับมานั่งเหมือนเดิมไม่เห็นมีใครกัวกันนะครับเราก็รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ใช่เกิดขึ้นทุกเวลาทุกวันทุกเวลาครับคุณจินตรัตบอกว่าอยู่กับตัวเองมีความสงบมากสามารถอยู่กับตัวตนหลายชั่วโมงสงบนิ่งได้หลายวันแต่พอโดนคำพูดที่ไม่เป็นความจริงของคนใกล้ชิดอารมณ์จะพุ่งไปอิทขึ้นมาเลยครับอาจารย์ เพะเรายังไม่เจริญปัญญาเนี่ยถ้าเราตอนนี้เรารู้ว่าทุกข์เราเกิดจากการโดนเขาดา่านเราก็ต้องศึกษาค้นหาดูว่าที่เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์ทำให้เราทุกข์กับเขาเพราเพราะว่าเราอยากให้เขาไม่ด่าเรานันเองถ้าเขาชมเราเราจะไม่ทุกข์ใช่ไหมเขาก็ด่าเราเราทุกข์แสดงว่าเราไม่อยากให้เขาด่าเราเราถึงทุกข์แล้วเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แล้วเราจะทำยังไงแล้วก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเราปล่อยให้เขาด่าครับพออยุ่คําอยากไม่ใหเขาด่าเราด้เราก็ไม่ทุกข์กับเขาเขาจะด่าแล้วเขาจะไม่ด่าเราก็ไม่เดือดร้อนต้องใช้ปัญญาอาจารย์ครับอันนี้เป็นสอันนี้ไม่อันนี้ไม่เกิดจากสมาธินี่ไม่เกิดจากสมาธิแต่มันต้องมีบนเรียนก่อนมันต้องเจอต้องเจอทุกข์ก่อนปัญญาถึงจะเกิดทุกข์ก่มีปัญญาบ่เกิดครับ ในเวลาเราออกจากสมาธิมาพอเราไปเจอเรื่องใดที่ทำให้เราทุกข์นี่เราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ับเราทุกข์เพราะอะไรเพราะอย่างหรืไม่อยากอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องมาแก้ที่ใจเราอะ่าไปอยากยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนิจจ์ทุกข์ขังอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ตั้งแต่เป็นสวครับอาจารย์ ได้ฝึกข้อนี้เยอะเลยครับอาจารย์ครับอันท่นะ <จบ S 2> ทานตาเนี่ยสวแต่ละคนนี้เขาเป็นอเขาเป็น เ, เนจ้าโจทย์ตนของเขาเองควบคุมบางบข้อเขาไม่ได้ครับครับผมแต่ก่อนเป็นหมอไม่ค่อยมีคนว่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าพอมาเป็นสอวอไ ด, ได้ได้ฝึกโจทย์ข้อนี้เยอะครับพระอาจารย์ครับตอนเป็นห ม, มอลแล้วทําะไรคุณก็รักษาคนไข้คนไข้ก็ว่าดีใจก็ไม่ ม, มาว่าเราตอนนี้เรามาขัดถอนเกี่ยวกับเขาอะไมันก็เลยนอนด่า ครับแตโชคดีได้ใช่ครับอาจารย์ครับแต่โชคดีได้ได้ได้ปัญญาจากสุตตมัจจาปัญญาจากพระอาจารย์ญญาาญญามาช่วยให้เบาไปเยอะครับอาจารย์ครับอาจารย์เราสอนรับยศสารเสริญสุดมันเป็นอันนี้จังมันเปลี่ยนจากจะเริญเป็นเสื่มได้นะครับมีสารเสรินก็มีนินทาได้งั้นเรต้องเตรีมรับทั้งสองอย่างทั้งสารเสรนวนทั้งนินทา เราลำไดนะ้สองอย่างมันก็ไม่เดือดร้อนเขาด่าก็ด่าไปเขาชมก็ววชมไปนครับได้เรียนรู้เยอะเลยครับอาจารย์มีธรรมะ ก, ก็ช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างค่อนข้างจะปลอดภัยจากความทุกขนะ์ครับจริงครับอาจารย์ใช้ความนิ่งจากสมาธิมาเดินปัญญาคือถอนจากกิเลสใช่ไหมครับอาจารย์ ไม่ใช่หรอกความนิ่งของของสมาธิที่เรามีไว้เพื่อช่วยหยุดกิเลยุดความอยากต่างๆเวลาที่เราใช้ปัญญาวิเคราะห์เราเห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากเราก็หยุดความอยากทั้งสี่ความทุกข์ใจก็จะหายไปถ้าไม่มีความนิ่งของสมาธิเราจะไม่ยืนกาลังหยุดเช่นเราติดบุหรีนี่ถ้าเราอยากจะเลิกบุหรีแต่เวลาเราเห็นบุหรีนั่งใจเราสั่นใจเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ แ, แสดงว่าเรายังอยากจะสูบบุหรีอยู่ ถ้าเราไม่อยากจะสูบบุหรี่เราก็ต้องมีกำลังที่จะหยุดความอยากสูบบรี่ให้ได้ถ้ามีสมาธิเราจะหยุดได้ทันทีคุณปุเป้บอกว่าขอนําคําสอนคลิปของพระอาจารย์ไปเผยแพร่เป็นธรรมทานนะครับอนุโมทนาสาธุถ้าคนตายไปแล้วมีผิวพันธุ์ที่ผ่องใสเรียกว่ามีบุญถ้าผิวพันธุ์คล้าดำําแปลว่าไปไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอกเราไม่สามารถดูที่ร่างกายไนะด้ดูที่ทาสบสมได้เพราะมันเรื่องของดวงวิญญาณเรื่องของจิตใจการเล่นลอตเตอรี่ถือเป็นอบายามุกไหมครับก็ขึ้นอยู่กัาเราเล่นแบบไหนถ้าเราเล่นแบบหอหอมปากหองคออาทิตย์ละใบสองใบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอบายามุกถ้าเราเล่นเป็นอาชีพหวังหวังไดจะหวังเารายได้จากการ เลนอตเตอรีนี้มาเป็นเรื่องชีวะาเนนี้ถึงเรียกว่าเป็นอภัยมงค์ทำบุญถวายพระทหารให้ญาติกับพระไม่ศีลเลยมารู้ที่หลังนะครับญาติเราได้รับบุญไหมครับใด้พระจะมีศีลไม่มีศีลไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลยมันอยู่ที่การให้ของเราผู้รับไม่เกี่ยวอยู่ที่การเสียสละแบ่งปันของเราไม่จะให้กับสุนัขก็เป็นบุญเป็นกุศลได้ มีความตั้งใจจะไปโครงการพระธรรมทูตครับแต่มีปัญหาสุขภาพคือไอเป็นเป็นหายายอย่างเดียวเองอย่างนี้ควรจะพิจนารณาอย่างไรครับไม่ทราบนั่นแต่คนเนะเป้าหมายของการนั่งสมาธิคือพัฒนาไปสู่ฌานหรือเปล่าครับใช่ต้องการให้เข้าฌานได้หะฌานสี่ให้เกิดโมเมคาความนิ่งเฉยปล่อยวางไม่นักไม่ชังไม่กลัไม่หลง การเมตตาผู้คนโดยทั่วไปทำไมถึงได้สุขบ้างทุกบ้างแต่ส่วนมากจะได้ทุกมากกว่าครับเราไม่ได้เมตตาด้วยการด้วยใจที่บอยสุดธิ์เราเมตตาด้วยการหวัง้นตอบแทนถ้าเราเมตตาคนนั้นแล้วเขาตอบสนองเขาขอบคุณเราเราก็มีความสุขถ้าเกิดเขาไม่ตอบสนองเขาเฉยเฉยหรือทำไปไม่รู้ไม่ชี้เราก็จะจะรู้สึกไม่มีความสุข แต่ถ้าเราให้โดยความไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับเลยให้เขาไปแล้วเขาจะขอดใจเราเขาจะยินดีเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือไม่เราไม่สนใจหึืแม้แต่เขาจะเนราคุณเราก็ไม่สนใจอย่างนี้เราก็จะได้บุญร้อยเปอร์เซ็ได้ความสุขจากการให้เพราะเรามีความปรารถนาดีให้เขาอยากให้เขามีความสุขส่วนเขาจะมาดีในร้ายกับเราเรื่องคนละเรื่องกันแต่บางทีเราไว้ถูกกันไว้ เราให้เขาแเขาต้องเขาต้องดีกับเรานะเขาต้องช่วยเรานะรอสนับสนุนเราถ้าเรามีอะไรที่เดือดร้อนถ้าทำอย่างนี้มันก็จะทำให้บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ไม่สุขเพราะมีเงื่อนไขอย่าให้แบบมีมีเงื่อนไขแล้วจะมีความสุข การสาธุอนุโมทนาบุญกับคนที่ทำบุญจะได้บุญไหมครับถ้าได้จะได้มากหรือน้อยครับถ้าผู้เฉยๆไม่ได้เลยถ้าร่วมกับเขาเช่นเภาทํภา พ, พป่าอางนี้แล้วก็อัาเงินใส่ซองขอร่วมด้วยนี็นป็นันไม่ได้อยู่ที่ลมปากเพียงอย่างเดียวสาธุเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่การกระทำได้ละคือปกติลราอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะทำบุญวันนั้นนะ แต่พอดีเพื่อนถูงโม น, นี่จะไปทอดทับป่าอ้าวยังขอรวบหน่อยคว้ากระเป๋าเอามันใส่ซองให้เขาไปนี่นะแล้วอนุโมทนาบุญไม่ได้เกิดจากบุญที่เราตั้งใจจะไปทำเองในวันนั้นเวลาที่เห็นคนอื่นไม่สบายใจมีเรื่องก็จะช่วยแต่มีคนบอกว่าให้ยุ่งกับเรื่องของตัวเองดีกว่าถ้าเราแบบนี้เป็นบาปไหมครับออไม่ไม่บาปแล้ว ีแต่ว่าอาจจะไม่มีความเมตตาถ้าเราช่วยเขาได้ถ้าเราไม่ช่วยนี่ก็เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความเมตตาขเขาแต่ไม่บาปเราไม่ได้แต่เราจะไม่ได้บุญแต่ถ้าเราช่วยเขาเราจะได้บุญข่าอกาสครับการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความว่างต้องปฏิบัติอย่างไรครับเพื่อเนื่อศีลสมาธิปัญญาต้กษาศีลป่ขึ้นไป เอาเวลาไปให้กับการเจริญสติเพื่อทําใจให้ว่างจากความคิดในเบื้องต้นก่นอนเมื่อว่างจากความคิดได้แนละ้วขั้นต่อไปก็ให้ว่างจากความอยากต่างๆเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะว่างจะสงบจะมีแต่ความสุบตลอดเวลามีความโกรธทุกครั้งที่รู้ว่าคนคนนั้นไม่รักษาคําสัญญาครับอาจารย์เพราะเราไปหยาดเขารักษาคําสัญญารเราก็โกรธรับ ความอยาของเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นอะไรเราก็ไม่โกรธเขาเขาเป็นอย่างนั้น่ะยังไม่ให้ก็เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเขาเป็นกล้วยอยาก็อยากให้เขาเป็นส้มได้ยังไงครือบางทีก็เปลี่ยนก็ได้บางวันก็เป็นส้มน้อวนก็เป็นกล้วยเราก็ต้องรู้ทันของความเป็นจริงของเขาเขาเป็นอย่างนี้อยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้น กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็แสดงว่าเป็นของบรรพบุรุษมาแล้วก็มาถึงเราหรือครับหรือว่าเราทำกรรมนั่นเองครับไม่หรอกเพราะว่าเผ่าพันธุ์นีก็คือเป็นเป็นกรรมที่เราทำแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นเผ่าพันธุ์ของมันมันมีเผ่าพันธุ์ที่ดีเผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีไงทำกรรมชั่วก็เป็นเผ่าพันธุ์อย่างหนึ่งทำกรรมดีก็เป็นเผ่าพันธุ์อีกอย่างอันนี้เป็นโมหันมากกา กับพระอาจารย์ครับรายการที่คุณหมอจัดสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ทุกวันอาทิตย์นี้มีประโยชน์มากๆเลยครับทำให้เกิดปัญญาและเป็นหนทางพ้นทุกข์หนทางนี้ต้องมีความเพียรมากๆแต่นับเป็นบุญที่มีคนมาจัดให้ได้ศึกษาถึงที่แบบนี้ครับกับขอบคุณพระอาจารย์นะครับิน ด, ดีด้วยขออนุโมทนาสาธุ ถ้าเรามีภารกิจในแต่ละวันที่ยุ่งมากจนเหนื่อยล้าไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิไหวแต่ตอนนี้สามารถนึกถึงพุทโธในระหว่างวันได้เยอะกว่าเดิมขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับควรลดล ด, ลดภารกิจให้น้อยลงไปคิดถึงความตายบ้างตายแล้วรออะไรไปได้บ้างหรือเปล่าแต่สมาธินีเราไปได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธินีเราไปได้ทับสมบัติเข้าของเงินทอง ครอบครัวบุทีธิดาสามีภรญหานี่เราไปไม่ได้เวลาเราไปเป็นคนอย่าคิดให้รอบขอบว่าเราต้องเวลาเราไปเราเอาอะไรไปได้บ้างคเดอยวคิดถึงสิ่งนั้นบ้างขับรถทับตัวเงินตัวทองโดยไม่ตั้งใจทันทีก็แผลไม่ตายเขาสำนึกผิดมากๆครับจะทำอย่างไรจรึงจะวางใจห ย, ยุดคิดได้ครับ ก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเมื่สวดมันไปเวลาคิดถึงเขาเลากพุทโธพุโทโธพุโทพโธเพิ่มหยุดไม่ให้ใจไปคิดถึงเขาเด็กที่ถูก a อในมือถือเลี้ยงดูความรู้ความสามารถมากขึ้นแต่ก็เห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางโลกทำอย่างไรพวกเขาจึงจะฉลาดทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมครับก็อยู่ที่ a ออว่ามีข้อมูลทางธรรมหรือเปล่า มันจะมีข้อมูลแต่ของทางโลกของของกิเลสตัณหาทั้งนั้นนะหาลาภโยชน์สน ส, สุขกันไม่ได้ทำหนึถึงศีลธรรมเมื่อหกปีก่อนเคยได้รับเลือดด้วยภาวะที่เลือดต่ําครับบางครั้งจิตก็ภาวนาถึงบุคคล น, นั้นทําบุญทําทานขอบคุณท่านคนนั้นจิตไปติดกับสิ่งนี้ไหมครับ ก็แล้วแต่เราจะคิดว่าติดหรือไม่ติดอะ่ะติดก็ไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ทุกก็ไม่เสียหายตรงไหนความสำเนึกในบุญคลนี้ก็เป็นเป็นคุนละสมบัติที่ดีเด่นดังนี้ไม่เป็นไรไม่ลืมบุคคนคนเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีของที่เขาเอาไปแจกกรรมการแล้วเอาไปฝากคนที่บ้านได้ไหมครับถ้าเป็นของของเราเราไปเอาไปให้ใครก็ได้แันถ้าไม่ใช่เป็นของขอาเร า, เาไปนะ้ันเท่าเราขโมูลของไป เราจะทำยังไงเวลาหงุดหงิดโมโหพี่ที่เขาไม่สนใจช่วยเหลือหรือดูแลคุณแม่ตอนป่วยพยายามพูดโทรก็เอาไม่อยู่อาจเพราะช่วงนี้เครียดและกังวลกับอาการป่วยของคุณแม่ที่เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขอทราบแนวคิดปัญญาจากพระอาจารย์ครับปัญญ า, าคือความอยากของเราที่ทำให้เราเครียดเนี่ยเราอยากให้เข้ามาช่วยดูแลแม่พอเขาไม่ทำเราก็โกรธเขาแล้วเราก็บังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ ก็อยา่าไปบังอย่าไปอยากให้เขามาช่วยกันแล้วกันแล้วก็ช่วยของเราไปคนเดียวขอตามทําไปตามกรจกของเราโดยคนอเลยจะช่วยหรือไม่ช่วยนี่เราไปบังคับเขาไม่ได้เราก็จะไม่เครียดกับขเขาการบริจาคร่างกายถือว่าเป็นการปล่อยวางในระดับหนึ่งไหมครับยังเป็นเพียงกาแสดงเจตนาท่านแต่ยังไม่ได้ปล่อยเลยยังเก็บไว้ทุกอย่างกัอนอย่าเดียงแต่ แสดงเจตจำนงทั้งนึงแต่ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ให้อะไรไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวช่วคนบริจาคเลื่อนไม่ได้คนบริจาคเลื่อนนเขาปะ่ะเขาให้ไปนะ้วนี่คนบริจาคตายบริจาคตาข้างหนึ่งนี่เขาได้บริจาคนะ้ต้องบริจาคตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนที่เรายังมีความรู้สึกรู้ตัวอยู่ว่าเราเราได้บริจาคของที่เรารัดไปแล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้แคือบุญ แต่ถ้าเราบรจาคเอาแท็กที่เราตายไปแล้วนี่เราจะไม่รู้ว่าได้บริจากจริงหรือไม่ผมฟังแล้วนำไปปฏิบัติศีลห้าสะอาดพุทโธตั้งแต่ตื่นนอนตลอดทั้งวันมีสติติดตัวมองโลกเป็นอ น, นิจจังตอนนี้กำลังใจปักหลักแลกหมัดกับกิเลสกลางเวทีตายเป็นตายนิพพานเป็นนิพพานนะครับอาจารย์สาธุอาจารย์เอาให้เต็มที่เลย ถ้าจริงๆอย่างจังกิเลสมันยอมแพ้แต่ถ้าเราเอาล้อเล่เราเอาแบบโนเลนเ่นกิเลสมันชอบแต่ถ้าเราเอาจริงจังนี่มันจควรจะกลัวเวลาเราคิดไม่ดีเรารู้และเราก็ไม่ชอบมันแต่เราหยุดมันไม่ได้แสดงว่ามันเป็นคนอย่างคนละอย่างกันใช่ไหมครับเราไม่มีสติหยุดมันเราใช้พุโทโธเลต่อไปน้อก็จะหยุดมันได้ อ๋อเหมันความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเรามีพุโทโธอย่ในใจความคิดอย่างนี้ก็เข้ามาไม่ได้การที่เราตักบาตรเราอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้สัมภเวสีหรือผีไม่มีญาติบริเวณที่เราอยู่อาศัยด้วยได้ไหมครับได้นายโยมทิศให้ใครก็ได้ที่ร้รับไปแล้วส่วนเขาจะรับหรือไม่รับนั่นอยู่ที่สถานภาพของเขา การเข้าชการเข้ายานได้มีอาการเป็นอย่างไรครับไม่ใช่ยาเนาะต้องเป็นฌานคือความสงบยานนี้เป็นความอย่างรู้ความอย่างรู้นี้หมายถึงเวลาที่เราละปัญหาได้ดับความทุกข์ได้ก็จะเกิดยานอย่างรู้ขึ้นมาว่า อ, อ๋อทุกข์ที่ไม่ได้เกิดปัญหาไปแล้วเนเวลาที่เราไม่สบายแล้วพอเรากินยาแล้วโลกที่เป็นมันหายไปไข้ที่มีอยู่มันหายไป น, นั่นเอะ การรับรู้นี่คือเรืก็ยานยานอย่างซ้ำแต่ฌานนี่คือความนิ่งสงบอของใจถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เลือกที่จะเงียบแบบนี้เราผิดไหมครับไม่ผิดนะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็เฉยๆไปในโลกนี้มีเรื่องของความไม่ถูกต้องเต็ไมไปหมดถ้าเราจะมาคอยแก้แล้วคงจะเหนื่อยตายครับ อาจารย์ครับแล้วถ้าเรามีหน้าที่ตรงนั้นล่ะครับอาจารย์ครับเรามีหน้าที่ก็ต้องทำสอนดูกเหล่างนี้ที่ทำอะไรไม่ถูกต้องเราต้องสอนคเขาถ้าเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราไม่สอนก็แสดงว่าเราบกพ่อแม่ที่โบราณโบราณก็บอกพ่อแม่ไม่ ส, สอนครับที่เรากลัวความมืดส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราไม่ชินใช่ไหมครับไม่ใช่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราที่ไหนกันนะที่เราอยู่ที่มืด ให้เรามีภายอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเราก็จะเห็นว่ามีมีภัยหรือไม่มีภยัยถ้ามีภายเราจะยินดีได้แสงบได้แต่ถ้าอยู่ในในที่มืดเราจะไม่รู้แล้วเรากลัวกลัวเพราะว่าจะเราจ ะ, เราจะถูกทำลายถูกทำลายพุทสิทธิเพริศบอกว่าสาธุพระอาจารย์ครับไม่กลัวแล้วครับความตายครับสาธุ กลัวก็กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายถ้าไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้ากลัวก็ยังทุกข์อยู่แต่ก็เปลี่ยนความตายไม่ได้ความตายก็กยังเหมือนเดิมอยู่การที่เราเคยดูแลคนบางคนอย่างดีที่สุดแล้ววันหนึ่งเราไม่สามารถทําได้อีกทุกครับต้องออกจากความรู้สึกนี้ได้อย่างไรครับทั้งทางที่ไม่เคยสัญญาอะไรไว้เลยครับก็สูญวิสัยไปไงมันก็ไ เปนส่วนวิสัยแนวคับช้ามากของเราที่เราจะไปทารายได้นะถ้าว่ามันก็จบแนะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ป่วยแล้วตายไปแล้วครับเราแผ่เมตตาไปให้เขาจะได้รับไหมครับการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ดูแลเขาให้ความสุขกับเขาถ้าอยากจะให้เขามีความสุขหลังจากที่เขาตายแล้วเราต้องอุทิศบุญทางบุญและอุทิศบุญไป อ๋อเมตากับเรียนถามครับคนเป็นนี่ปฏิบัติธรรมได้ไหมครับจะบรรลุธรรมได้ไหมครับได้ได้ไม่เกี่ยวกันเป็นนี่ก็ใช้นี่ไปผ่อนไปจารันสติก็เรื่องของการจารันสติเรื่องสมาธิมไม่เกี่ยวกันตอนนี้รู้แล้วว่าทุกข์มากเป็นเพราะอย่างไรเพราะว่าแม่ป่วยให้อาหารทางสายเหมือนกับพี่ชายเลยน่าสงสารมาก ไม่รู้ว่าทํากรรมอะไรไว้ถึงต้องเป็นแบบนี้ครับคําสอนของพระอาจารย์ช่วยได้นะครับด้วยความเคารพครับพระอาจารย์ครับก็ทํำมาเราไม่รู้หรอกการเพงนั้ให้รู้ว่ามันเป็นผลของกรรมที่เราทํามาก็นแล้กันก็ยอมรับมันไปยอมรับโทษเหมือนกับเราไปทําผิดแล้วงสารตัดสารตัดสินประจําคุกห้าปีนี่นเราก็ต้องยอมรับไปอาจะนึกไปแล้วว่าเราทําผิดต้องอะไรมานะฮะ แต่ทนกฎแห่งกรรมก็ไม่เลยมาฝันมีผู้หญิงสวยมากๆเป็นภาพขาวดำมาขอให้ทำบุญไปให้ครับเป็นดวงวิญญาณภานจรใช่หรือไม่ครับไม่รู้เหมือนกันนะต้องถามคนหนึ่นจิตตมัยปัญญาคือการคิดวิเคราะห์เหตุและผลใช่ไหมครับก็เป็นการ พิจารณาพื่ให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมที่เราได้เรียนรู้นมนาะถ้ า, ายังไม่เข้าใจเราก็ต้องมาพิจารณาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆ จ, จนกว่าเราจะร้องออกระนัน อ, อ๋เอเข้าใจนะทุกเกิดจากความอยากของเราทุกหายไปเพราะเราหยุดความอยากของเราได้ก็เหมือนกับาาการทําการบ้านนะตอนที่เราเรียนเรียนในห้องเรียนเราอาจะจะไม่เข้าใจเราก็กลัมาบ้านเราก็ต้องมาทบทวนคําสอนอยู่อีกที ควนังสือดูอทอบทวนจก่อนเราจะเข้าใจอันนี้ย่จินตามัยะปัญญาเราควรใส่ซองปัจจัยขอบคุณพระที่มาเทศให้เราหรือให้เป็นอย่างอื่นถึงจะถูกต้องครับทราบมาว่าไม่ควรจะให้เงินครับก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นเงินก็ได้เพราะสมัยนี้พระท่านก็จาก่ายค่ารถค่าน้ำค่าไฟเหมือนนบางวันก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟของตัวเอง เวลาไปไปไหนมาไหนก็ต้องจ่ายค่าแท็กซี่รถแทกซี่มันก็มีค่าใช้ใจ่ายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนญาติโยมมีเวลาว่างรับคอยรับใช้พาะตลอดเวลาจะไปไหนก็บอกพระญาติโยมก็จะรับส่งแต่ทำไมนี้ญาติโยมไม่มีเวลาส่วนใหญ่ก็ต้องไปทํางานกันทั้งนั้นในพระจะไปไหนมาไหนบางทีก็ต้องอาศัยเงินทองจ่ายให้กับกับกับแท็กทซี่หรือกับอะไรก็ตาม ทำบุญแล้วอธิษฐานว่าขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์โดยไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองอย่างนี้ดีไหมครับราอาจารย์แกเขียนอะไรก็ได้แต่ความจริงการทำบุญนี่ก็ทำเพื่อทาเพื่อให้ผู้รับเนี่ยนะนจะว่าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็แล้วแต่เรา อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าการตัดพิธีวงสวงเจ้าเจ้าในวัดที่เพื่อให้สถานการณ์ที่วัดสงบเรียบร้อยจัดญาติโยมสามัคคีกันมันจะเกี่ยวกันไหมครับแล้วจัดเป็นศีลพรตระปรามาธไหมครับมันเรื่องวงสวงมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมมันไม่ได้เป็นหลักหลักธรรมหลักธรรมอยู่ที่หลักหลักธรรมก็อยู่ที่หนักกรรมกรรมดีกรรมดีกรร ม, มไม่ดี ถ้าคนทํากรรมไม่ดีมาเจอกันมันก็เกิดการเรื่องวุ่นวายอย่างเงี้ยถ้าเจอถ้าคนทํากรรมดีมาร่วมกันมันก็ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายคือมีความเมตตาต่อการให้อภัยกันยอมยอมกันเขาต้องการอย่างนี้ก็ให้เขาไปเราต้องการอย่างนี้เขาก็ให้เรามันก็จบแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเขาต้องการอย่างนั้นเราไม่ให้เขาเราต้องการอย่างนี้เขาก็ไม่ให้เรามันก็เลยไม่จบสัที ถ้าการพูดความจริงทำให้เกิดความขัดแย้งเราควรพูดหรือควรจะเงียบดีกว่ากันครับถ้าเราเลิกไม่พูดได้ก็จะดีกว่าทำไมพยายามจะประหยัดและเพียงลํำลึกว่าตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่บางวันก็ทำใจไม่ได้ดิ้นรนเหมือนเดิมครับเพราะไม่มีสมาธิไม่มีสติกำลังพอที่จะหยุดความความคิดคําอยางเรา ถ้ามีสติมากขึ้นก็จะมีกำลังที่จะอยู่ได้ต้องฝึกสติให้มากขึ้นพอจะบอกได้ไหมครับว่าเราจะปฏิจะเริ่มปฏิบัติเป็นขั้นตอนแบบไหนครับเั้นนี้แหะขั้นตอนแรกก็คือต้องรักษาศีลถ้ า, าอยากจะนั่งนั่งสมาธิก็คนจะรักษาศีลแปดเราักษาศีลแปดแล้วเราก็จะมีเวลาให้กับการมานั่งสมาธิ การจะนั่งสมาธิก่อนจะมานั่งก็ต้องฝึกสติก่อนมันจะนั่สติทั้งวนันทั้งคืนนั่งตื่นข้นมันจะหนักให้มีพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนีนน้หรือให้เข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้พอมเวลาว่างต็มานั่งหลับตา่าแล้วก็บฏิกรรมพุโทโธหรือดูดลมาหายใจเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเอาทั้งสองอย่างก็ได้ กา ร, การคิดว่าจะถวายเข้าสารในศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เปลี่ยนใจจะถวายอีกทีอย่างนี้ผิดไหมครับถ้าเราไม่เป็นชัญญางใครก็ไม่ผิดเนี่ยเป็นเของความคิดของเราเองวันนี้คิดอย่างนี้พรุ่ง น, นี้อาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ตักบาทขันเดียวกันจะได้บุญเหมือนกันไหมครับก็มันก็เป็นทองของไทยนะ ของในขันนันเปนของไครถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ไม่ได้บุญถ้าเป็นของของเราเราก็ได้บุญแต่ก่อนถือศีลแปดช่วยงานอยู่ในวัดเพราะคิดว่าอยากเดินเส้นทางธรรมตอนนี้หันกลับมาอยู่ช่วยพ่อทํางานเพราะพ่ออายุมากขึ้นและดูแลแม่ที่ความจําไม่ค่อยดีที่บ้านครับอย่างนี้เรียกว่าบุญในตัวเราลดลงไหมครับหรือเสียโอกาสของการใช้ชีวิตกึ่งนักบวชไหมครับ ก็เสียน่ยแต่ทำยังไงได้ความกตัญญูก็ต้องมาก่อนถ้ามรายังมีภาระทางโลกก็ต้องกลัมาทำภาระทางโลกให้เรียบร้อยก่อนแต่เราก็ยังสามารถถือศีลแปดได้นะยังปฏิบัติได้แต่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติมากเท่าที่ควรเท่ากับตอนที่อยู่ในวัดแต่ก็ยังือรักษาศีลแปดได้อยู่ถ้าเราจะรักษาจริงๆมีช่วงหนึ่งครับเข่งกับการละ การมรมผมฝันถึงพระรูปหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่เคยพบท่านในฝันก็รู้ว่าฝันได้คุยกับท่านช่วงที่สำคัญพยายามไม่อยากที่จะตื่นเนื่องจากอยากฟังจนจบแบบนี้คืออาการอะไรครับหรือไม่ต้องไปสนใจครับอาจารย์ไม่ต้องสนใจความฝันมันก็เป็นอะไรข็ได้นั้นอ้อนข้าวพ่อที่นอนป่วยอยู่แล้วข้าวเจ็บคอพ่อตุยไปจะเป็นบาปไหมครับ ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บางคนระับเรียนถามครับระหว่างการสะสมปัญญาบารมีและเมตตาบารมีทางใดจะถึงนิพพานได้รวดเร็วกว่าและพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือใส่ปัญญาใช่ไหมครับทั้งทั้งต้องมีทั้งปัญญาและทั้งมเมตตาไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีบารมีสิ การเข้าสมาธิเมื่อเราสงบแล้วความรู้สึกว่าเราเดินปัญญานั้นเป็นอย่างไรครับเข้าสมาธิเราไม่เดินปัญญาเพราะเราให้ใจนิ่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะต้องการความนิ่งจากการเข้าสมาธิเพื่อที่จะได้เอาไปใช้หยุดความอยากจะเดินปัญญาก็ต้องออกจากสมาธิมาก่อนแล้วพิจารณาตายนะัพิจารณนะาทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงง่ายว่าเดินปัญญา ถ้าในขณะที่นั่งสมาธิมีอาการคันขึ้นมาเราจะเกาได้ไหมครับหรือเราต้องอดทนครับอย่าอย่าไปสนใจถ้าเราเกาวเวก็เสียสมาธิไปเราไม่ได้อยู่กับพุทโธนะทำอย่างไรจะพัฒนาให้เกิดปัญญาได้ครับก็นี่แหละก็ต้องเรียนรู้ฟังเทศทางธรรมศึกษาธรรมบ่อยๆขั้นต้น อันที่สองว่าเอาทำที่เราได้ศึกษามาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจถ้าเราอยากจะเอาปัญญาที่เราได้นี้เอาไปใช้ดับความทุกข์เราก็ต้องไปปฏิบัติสมาธิการบอกลูกไว้ว่าถ้าจากโลกนี้ไปแล้วขอเผาเอาเท่ากระดูกฝังไว้ทิศตะวันออกของบ้านใต้ต้นกาละเวกเป็นการบังคับใจลูกทั้งสามคนไหมครับ ก็ไม่เป <walker? S 1> mm ็นการขอเราไม่ได้ไปสั mm ่งเขาเลยเขาจะทาให้ทับเรื่องของเราเราขอได้ทำไมพรานลูกทำไมขอกันไม่ได้ของอย่ได้อาจารย์มีคนบอกว่าไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บครับอาจารย์ก็นั่งสู้ความเจ็บนั้นสมาธิให้มันเจ็บไม่เอย่าขยับใช้สติใช้สมาธิอยู่กับมันไปให้ได้ทําใจให้นิ่งเฉยแล้วความเจ็บเขาจะไม่มาทําให้เราสูก สงสัยว่าสัญญาขันคือจิตแต่พอเวลาเราตายแล้วไปเกิดใหม่ทําไมถึงจําชาติที่แล้วไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อมางทีเมื่อวานนี่เลยจําไม่ได้หมดเลยว่าเราทําอะไรมาาความจามันมั น, มนที่เก็บความจํามันน้อยอง่ายๆของเก่ า, าถูกถูกกรบของใหม่เข้ามามันก็กรบของเก่าไปหมด หาเราเพลิมีความคิดไม่ดีกับคนอื่นทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ไม่ได้แสดงออกทางกายหรือคําพูดแบบนี้ถือว่าเป็นบาปหรือ ย, ยังครับยังไม่เป็นแบาบปถ้าไม่มีการกระทํานั้นการพูดแต่ก็ไม่ควรคนยั ง, งระงับมันใช้พุโทโธพุโทโธระงรับมันไปอย่าคิดเพราคิดบ่อยๆเข า, าอาจจะลามไปสู่การพูดการกระทําต่อไปก็ได้ แต่งกายชุดขาวหรือไม่ขาวไปสวดมนต์เย็นปฏิบัติธรรมที่วัดอนิสงส์จะแตกต่างกันไหมครับไม่ต่างไม่ต่างเรื่องการแต่งตัวนี้ไม่เกี่ยวอ น, นิสงส์อยู่ที่การสวดมันมีสติแล้วไม่มีสติถ้าสวดแบบไม่มีสติใจลอยก็ไม่ได้อ น, นิสงส์แต่อย่างใดต้องสวดแบบมีสติใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการสวดมันตลอดอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์ได้สติ องแปดแนวทางปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์การปฏิบัติเพื่อครบถ้วนตาม 1, มารรคองหนึ่งสัมมาทิฏฐิคือการปฏิบตัติปัญญาทั้งสามระดับสุตตมยปัญญาจินตาและภาวนาใช่หรือไม่ครับและการปฏิบัติควรไล่ขึ้นปฏิบัติตามลําดับขั้นเพื่อให้เป็นฐานซึ่งกันและการจนถึงระดับภาวนาใช่หรือไม่ครับใช่ท่านสอนให้เริ่มที่ศีลก่อนสัมมากรรมันโตสัมมาปชฌ า, าสัมมาชีวนี่เป็นขั้นศีล รษาศีลห้าศีลแปดศีสองร้อยยีิบเจแล้วก็มาเจริญสมาธิด้วยกันเจริญสัมมาวยามุสมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิเมื่อได้สมาธิได้ฌานแล้วก็มาเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรพิจารณายาสัตสีพิจารณาตายล้วต่อไปอาจารย์ครับแล้วปัญญาสาระดับนี้ต้องไล่ระดับขึ้นไปตามลําดับไหมครับ ก็ต้องถ้าไม่รู้เราต้องไล่ต้องเราไม่รู้เราต้อ ง, องเองป็นเรียนรู้จักใครใครจากหนังสือธรรมะก็ได้จากจากครูบาอาจารย์ที่เทศนาให้ฟังก็ได้ต้องเรียนรู้ก่อนถ้าถ้าเรารู้เองเราก็เป็นพู้พุทธเจ้าแต่ถ้าเรารู้แนี่ ส, สัต์สิ่เนี่ยเราไม่รู้เราต้องอาใัยพระพุทธพระพรัตนนาตายเป็นผู้สอนเรา คนที่ปฏิบัติธรรมแต่เชิญชวนคนมาลงทุนเพื่อหวังค่าในหน้าและท้ายที่สุดก็หนีและทิ้งคนลงทุนอย่างนี้เขาจะได้บุญจากการปฏิบัติธรรมไหมครับหรือบุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมได้เขาจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไหมครับคมจะยากถ้าศีลไม่บริสุทธิ์นี้การปฏิบัติมันจะ ม, มันจะเป็นไปได้ยาก ถ้ารู้ว่าแพ้ยาแล้วกินยา น, นั้นเพื่อปิดชีวิตตัวเองอย่างนี้เป็นบาปไหมครับบาป็นการฆ่าตัวตายกรณีที่เราเป็นพี่คนโตโดยที่น้องๆต้องการให้เรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายจํานวนมากเพื่อซ่อมแซมบ้านที่เราไม่ได้อยู่ด้วยครั บ, บ<า>น่าจะเขียนาราให้จ ถ, ถ้าเราจะเมตาน้องๆก็ซ่อมให้เขาไป เราไม่ไม่ตามเราไม่ซ่อมก็ได้มันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรามไม่ใชเป็นระหว่างการเดินในศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วมีสัตว์คลาดออกมาพอดีในขณะที่เราก้าวเดินเป็นหลายครั้งจะผิดไหมครับไม่ผิดก็เป็นเรื่องของเขาของเราันเดินของเราเขาก็เดินของเขาไปการมาจ้ายกันเจอเหมือนกน การไปไหว้พระที่วัดแล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นวัดพุทธพาณิชย์อย่างนี้จะทําอย่างไรครับพระอาจารย์ครับก็อยา่าไปไปไหว้ไปไหว้วัดอย่างนี้ก็ได้กรณีเราช่วยเหลือญาติพี่น้องยามเขาเดือดร้อนแต่พอเราเดือดร้อนเขากลับไม่ช่วยเหลือเราเราควรวางอุเบกขาไม่ช่วยเหลือเขาในอนาคตไหมครับแล้วแต่ถ้าเราช่วยเหลือเขาเราก็จะได้บุญถ้าไม่ช่วยเหลือเขาเราก็ไม่ได้บุญ ขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับระหว่างชี้แจงความจริงในสิ่งที่เราถูกใส่ร้ายกับนิ่งเฉยไม่ยึดติดในอัตตาแบบไหนจะเหมาะสมกว่ากันครับเพราะแล้วแต่เหตุการณ์ถ้ามีความจําเป็นจะต้องชี้แจงชี้แจงไปถ้าไม่มีเหตุผลที่ต้องชี้แจงก็ไม่ต้องชี้แจงไปซึ่งเพราว่าเราเป็นควายนี้เราก็ดูว่าเราไปเขารึเปล่าไปหาหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีเขาปัฒนานเขาตาบอดขี้เกียจไปชี้แจงให้เสียเวลาอันนี้เดผมนึกถึงบ่อยเลยครับอจ <c oughs> าจ <c oughs> ารย์ใครวาถ้าเช็เลือกใครวะถามเลยว่าเขาเลือกใครวาประธานแน่นอนแล้วไม่มีเขาไม่มีหาง มีหมอดูทักครับว่ามีวิญญาณที่ไม่ดีติดตามเราอยู่เราควรจะต้องทําอย่างไรครับใช่ทำ ห, หูไม่หูวอะไรพี่ส่วนดว่าจริงไม่เจงก่อนถามต่อจากคําถามเรื่องฌาญนะครับเมื่อได้ฌานแล้วขั้นปัญญาจะพุ่งมาโดยอัตโนมัติหรือไม่ครับไม่ไม่ปัญญาต้องรอให้ออกจากฌานะแล้วก็มาศึกษาอริยัตสัจจิศึกษาใจแล้ว ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมนาะตอศึกษาเนะสุตตามัยปัญญาถ้าเรายังไม่รู้เราก็มาศึกษาถ้ารู้แล้วเาก็มาทบทวนเป็นจินตานถ้าเราเข้าใจปั๊บเนี่ยเรามีฌานแล้วเราก็สามารถดับความทุกข์ได้ในเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นนะเคยได้ยินว่าหนึ่งในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่อาจทําได้คือไม่อาจปโปรดคนที่ไม่มีวาสนา อะไรเป็นเหตุให้มีวาสนาครับคือเขาไม่สนใจธรรมะนะเขาไม่มีวาสนาคนหุนหลวเนี้ยสองคนหุนหลวไม่ได้กลับเรียนถามครับมีคนเขาอยากสวดมนต์ถามจะสวดมนต์แบบไหนแนะนําว่าก่อนสวดมนต์ให้กรบาบพระแล้วนั่งให้ใจสงบก่อนห้าถึงสิบนาทีก่อน กราบอีกเริ่มสวดบทพรัตนตรัยก่อนแล้วตั้งนโม3จบต่อด้วยตามอิอิปิโสและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์น่าจะเขียนไม่จบครับพอาจารย์ผมอาจจะไม่ได้เจอลูกชายแล้วซึ่งเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่มันทำให้รู้สึกคิดถึงเป็นห่วงและเสียใจมากผมเคยฟังว่าควรฝึกปฏิบัติตนอย่างไรแต่เพราะความเศร้าเสียใจที่อยู่ในใจลึกๆมันยังมันทอนครับผมควรจะทาอย่างไรดีครับ ต้องพยายามทำใจอยอมรับความจริงว่าการพระท่าจากการเป็นเรื่องธรรมนามต้อกจากการนันไดวันหนึ่งไม่ชักก็เล้วถ้ายอมรับความจริงอันนี้ให้ได้นัดใจแล้วก็จะไม่เศร้าถ้าปฏิบัติธรรมถึงขั้นนิพพานแล้วโดยไม่ได้มุ่งหมายจะหลุดพ้นโอกาสที่จะนิพพานมีไหมครับไม่มีแล้วทำไมมุ่งหมาย อยู่มันจะมาอย่างเง้นไปไม่ได้ของนิพพานผู้ที่บรรลุโสดาบันต้องผ่านระดับฌานหรือปัญญาขั้นไหนครับก็ต้องมีฌานสี่ก่อนแล้วก็มีปัญญาระดับเห็นขันห้าว่าไม่มีไม่มีตัวตนเห็นรู้ไวทนาสัญญาสังขารไม่มีตัวตน บุญบา ร, รมีส่วนในการส่วนในการให้เราเดินไปในเส้นทางธรรมะใช่ไหมครับบุญบารมีเป็นเป็นเป็นปัจจัยเป็นทางเดินสู่มาผลนิพพานนะขอถามว่าเคยนั่งสมาธิแล้วเกิดหงายหลังแล้วเด้งขึ้นนั่งโดยไม่ได้ตั้งใจครับอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับไม่ทราเหมือนกนให้ร่วม เ, เป็นอย่างนั้นก็นแล้วกัน ถวายปัตตาหารแก่สงเกล้ารูปที่ความประพฤติไม่ค่อยดีจะได้บุญน้อยกว่าถวายแก่สงวัดยานในวันธรรมดาที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์ไหมครับเพราะหลังถวายก็ไม่มีเทสครับได้เท่ากันนะมันบุญอยู่ที่การเสียสละของเราไม่ใช่อยู่ที่คู่รักเมื่เราจะผิดศีลมากน้อยก็ไม่ไม่เกี่ยวกันกับเราเกี่ยวกับการให้ของเรา อยากจะได้บุญมากก็บ่อยจากมากอยากจะได้บุญมากก็บริจากน้อยเท่านี้ที่ตางกันตรงนี้ในส่วนของเรานะส่วนของคนอื่นนี่มันไม่เกี่ยวเรา <c oughs> ในโลกที่คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นเราจะรักษาความดีของตัวเองโดยไม่รู้สึกเสียเปรียบได้อย่างไรครับก็ยึดหลักความดีไปมาทาเพื่อตัวเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่น เ, เสียสลเพื่อตัวเราเราไม่ได้เสียสละเพื่อเป็นให้คนอื่นเป็นคนดีเราทําเพื่อให้เราเป็นคนดีเท่านั้นเองอย่าไป ม, มองคนอื่นวเวลาทำนะทาอะไรให้มองที่ตัวเราเราทําเพื่อตัวเราเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเกิดในศาสนาพุทธพอแต่งงานแล้วไปเข้าศาสนาเขาจะเป็นบาปในศาสนาพุทธที่เกิดไม่ข้ามไม่ไม่เป็นบาปไม่จะไม่ได้รับประโยชนย์จากศาสนาพุทธ เมื่อเรเปลี่ยนหรืออะเมืนกัเปลนเส้นทางเดินเคยเดินเส้นทางนี้ก็เปลี่ยนไดนเส้นทางหนึ่งก็ไปคนละทิศทางนั่นเอง What to do if I work in the organization that benefits so many people but work environment is to very toxic? Well, you just have to to accept it as it is if you cannot change it. Or else you can just change your your work or work someplace else if you cannot stand the toxic environment. Samatha is to focus on one e m o t i o right? Yes. Put the put the breath o u and i n เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจึงหมุนเข้าขั้นปัญญาเปรียบเหมือนได้ที่แทงตะลุรูเข็มจิตรวมเป็นหนึ่งคือได้ฌานใช่ไหมครับจิตรวมเป็นหนึ่งได้ฌานแต่ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้ปัญญาปัญญานี้่คลรเรื่องกันปัญญานี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาศึกษาเรื่องอริยสัจ ส, สี่เรื่องใต้นักถึงจะเป็นปัญญาขึ้นมา ถ้าเงินน้อยไม่ค่อยมีจะทําบุญแต่มาเน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนาบุญเกิดเท่ากันไหมครับบุญคนละอย่างกันนะบุญเกิดจากการภาวนาก็อย่างบุญเกิดจากการทําบุญทำทานก็นอย่างอันนี้สูต่างกันถ้าตายไปต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่ได้ทําบุญทําทานแล้วมันจะเกิดมายากจนไม่นําไม่รวยแต่คนที่ทําบุญทําทานเขากลับมาเพราะว่าก็จะเขาก็จะรั่ารวยจากอันนี้สูจากการทําบุญทําทานของเขา ถ้าเราภาวนาะเราอาจจะกลับมาเกิดเนาไปไปบวชได้เลยเพราอเราสามารถไปภาวนาได้คนที่ไม่ได้ภาวนาะเขาก็ยังไม่สามารถไปบวชได้มันคนละมันจะคนละชนิดการ น, นะนี่สองต่างกันฝันว่ามีคนมาควักหัวใจเราออกไปในฝันร้องไห้เสียใจสะอึกสะอื้นพอตื่นขึ้นมาวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าเราจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับ กาไม่รู้เหมือนกันเหรจะให้ ย, ยังไงมันใช่เรื่องของความฝันก่อนจะพิจารณาธาตุสี่กับพิจารณาอสุภะจําเป็นต้องมีระดับสมาธิขั้นอุปจาระก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเลยก็เหมือนจะเป็นสัญญาใช่ไหมครับก็พิจารณาได้ศึกษาได้ปัญญาสองขั้นแรกเอาทำได้แต่ถ้าเราทำแล้วเราจะปล่อยไม่ได้เราจะยังยึดติดอยู่ถ้าอยากจะปล่อยเราต้องมาปฏิบัติสมาธิก่อน ให้ได้เอปาปัญหาสมาธิก่อนนะถึงจะปล่อยได้ตัศึกษาก่อนได้ศึกษาโลกนั่น้ก่อนได้จิตสุดท้ายควรนึกอย่างไรครับให้มันสงอยู่นพุทโทไปถ้าให้ทานใส่บาตรแล้วรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้เราได้บุญมากน้อยแค่ไหนครับ ก็าอาจจะไม่มาเท่ากับถ้าเราไปคข้าสึกเพื่อปิติใีความสึกความตายเคยมาหลายครั้งเวทนามากมายทรมานแต่ก็ฟื้นมาใช้กรต่อครับอาจารย์ก็เราไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได้ถ้าไม่เท่า ก, กับความตายไม่เท่า ก, กับความเจ็บก็ถือว่าเราก็มุ่ง้นได้ในกับน เรื่องของความไม่ถูกต้องมีทั้งลึกและตื้นอย่างลึกก็เช่นนักการเมืองคือความไม่ถูกต้องในคราบคนดีเรื่องของเขาในเรื่องนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีมีคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็มีทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็มีเราไปห้ามเขาไม่ได้ ฝันเห็นผู้หญิงบอกว่ามาเป็นวิญญาณครับมาขออยู่ด้วยต่อมาพัสดุส่งมาเป็นผ้าลายไทยเก่าคลุมหนูกลัวครับเอาผ้าไปทิ้งเลยอย่างนี้ทำถูกไหมครับไม่รู้ว่าถูกหรือิดนะทดะทำได้อยาจะทำอะไรก็ทำได้าลเป็นของของเราแนละ้วถ้าคนที่ร่วมงานคอนินทาเราให้คนอื่นฟังเราควรจะตอบโต้อย่างไรครับเฉยๆไปเขาไปเขาพูดไป ดีที่สุดตับต้เดี๋ยวเขาโต้ตกลับเล้วว่ากลายเป็นเวรกรมกันขึ้นมาสวดมนต์ในใจที่ไม่ออกเสียงได้ไหมครับได้ดีดีออกเสีงนะได้ไม่ลดกลนกันทำทานซื้อของอาหารยารักษาโรคให้แม่ถวายพระประจำ แต่มีบางครั้งทำงานอาหารเราเตรียมมากินเช้าแต่ให้คนอื่นไปกินตื้อๆอดเอาเที่ยงบ่ายหากินได้ใหม่ทำไมรู้สึกสุขใจกว่ามากครับอาจารย์เพราะเราได้เสียสละของที่เรานั่งเราหนวงอาหารห้า <5. S 2> <5. S 1> มมารดาไปเล่นไพ่อย่างนี้เป็นบาปไหมครับห้ามก็ เป็นลูกคนรจะไปสั่งสอนพ่อแม่แอาจจะพูดเป็นการขอร้องหรือว่าเป็นการพูดสนทนากันต้องขออนุ ญ, ญาตก่อนดีดีสุดอนที่จะสอนพ่อแม่ให้ทําอะไรและไม่ทำอะไรเราคนจะขออนุ ญ, ญาตก่อนถ้าท่านอนุ ญ, ญาตก็ก็พูดไปท่านให้แม่นอนุ ญ, ญาตก็อย่าพูดผิดกาละเทศะเพิดธรรมเนวเอาพูดน้อยต่อผูอ้ใหญ่ การสวดมนต์เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมครับเื็นคาสอนบทที่เราสวดก็เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งนนสมัยก่อนไม่มีหนังสือก็ต้องสวดสวดสวดคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกสวดมนต์ไปสวดเพื่อได้จดจำเอาไว้เป็นการอนุรักษ์คําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นคนมีครอบครัวทํามาหากินแล้วก็ตายไปไม่เคยเข้าวัดนั่งสมาธิ กับอีกคนเป็นโสดตั้งใจวางแผนปฏิบัติธรรมเต็มที่ทำงานหาเงินพอใช้ตอนแก่ก็พอแบบที่สองนี้เกิดมาในชาตินี้มีกำไรมากกว่าแบบแรกใช่ไหมครับไม่อยากไปสนใจอะไรมันอยากจะเนี่ยไม่ใช่ของเราคนที่โกงเงินไปเป็นกรรมของเราหรือเปล่าครับ มันก็เราตาเราจะมองมนะเรชคิดว่าชาตจอนเราเคยโกงเขาก็ได้ตอนชาตินี้ก็าเอามาโกงคืนเราไปเราจะทําอย่างไรให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมครับยังไม่เกิดหรือการเกิดเวลาทําสมาธิชอบคิดเรื่อยเปื่อยแต่ก็รู้อยู่เนืองๆช้ชาๆว่าคิดและกลับมารู้อยู่บ่อยๆซ้ําๆ ควรทำอย่างไรต่อครับก็คนไปยังทําไปเรื่อยๆฝึกให้มากขึ้นฝึกให้บ่อยขึ้นไม่ใช่แต่เฉพาะตอนที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นควจะฝึกสติทั้งวันเลยเมื่อตื่ตาขึ้นมาก็คอยควบคุมความคิตอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยการบริการพุทโธพุทโธไปนั้นการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป ผมฟังคำสอนของอาจารย์ว่าให้ลดการเสพรูปรดกลิ่นเสียงผมเห็นข่าวการเล่นสงครานจึงรู้เลยว่าเราโดนกิเลสหลอกมาตั้งนานจริงๆถ้าเราไม่ยึดติดรูปรดกลิ่นเสียงอยู่เฉยๆก็มีความสุขผมคิดแบบนี้ถูกไหมครับถูกนะความสุขอยู่ที่ความสมหวังเความสุขที่แท้จริงการปฏิบัติธรรมไปถึงขั้นอากาสานุ ป, ปัสสนา จะต้องทําอย่างไรครับอาจารย์ม่มั น, นอยู่นานําานอมหยุดเย็นมีความหมายอย่างไรครับก็ยอมยอมยอมนบความเป็นจริงใช่ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมมันเป็นความจริงที่เราต้องยอมนำแล้วได้หยุดหยุดต่อต้านความความเจ็บไข้ได้ป่ยวยเราก็ได้เย็นใจเรวกนได้เย็น ที่เราทุกเพราะว่าเราต่อต้านเราไม่อยากให้มันเจ็บเราอยากให้มันหายมันเลยไม่เย็นมันก็เลยร้อนมันเลยทุกขึ้นมาเพราะเราไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงทําบุญกับโรงพยาบาลได้บุญไหมครับได้ลง น, นี้ก็ได้ทํากับหมากับแมวก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ลูก เขาอยู่ในวัยทํางานแต่เขายุติทุกอย่างไปตั้งมั่นอยู่กับการปฏิบัติสมาธิห้าเดือนแล้วถือว่าสุดตรงไปไหมครับเป็นแม่ใหม่ๆก็ทุกพอมาฟังพระอาจารย์ทุกวันเข้าใจได้ปฏิบัติตามเริ่มปล่อยวางได้แล้วครับไม่สุดตรงแร้วการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนได้ไงไม่ถือว่าสุดตรง ถ้าปฏิบัติไม่ถึงฌานสี่จะทําอย่างไรดีครับผ่านมาดูรูปนามแทนได้ไหมครับไม่ได้่ะต้องฝึกสติให้มากขึ้นฝึกทวนสติทั้งวันทั้งคืนคนที่ภาวนาปฏิบัติทำอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยได้ทําทานเกิดในชาติต่อไปก็จะได้เป็นพระและสำเร็จบรรลุไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่ทำให้บรรลุนี่พอเพียงหรือยัง สินสมาธิปัญญาพอเพียงที่ทําให้เกิดการบรรลุนั่นอยังภาวนาไปเรื่อยๆตอนนั่งสมาธิโอ uh, ้เริ่มไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยินเลยไม่รู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องอีกทีหลังจากออกจากสมาธิแล้วสภาพร่างกายรู้สึกว่าเกรงตัวแข็งอย่างนี้เกิดจากอะไรครับมันเป็นปกติเวลานั่งสมาธินั่งกายจะแข็งได้อาจจะชานะไร เป็นเธรรมดาคนที่สนับสนุนคนโกงทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวมีส่วนในบาปนั้นหรือไม่ครับถ้าไม่ได้มีผลไม่ยชน์็คงจะไม่ไม่บาปถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์จากการไปสนับสนุนเขาสีนห้าถ้าเผลอข่ามดไปจะเป็นบาปไหมครับถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่บาป ขับรถชนคนเสียชีวิตโดยไม่ได้เจตนาครับหนูควรจะวางใจอย่างไรดีครับก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุไปน่องสูญวิสัยไปไม่เคยเห็นผีเลยครับจนไม่อยากเชื่อว่าผีมีจริงครับก็ไม่น้องไม่เห็นกนดีแล้วเนี่ยคนอย่างเขากลัวผีกันไม่อยากจะเห็น นั่งสมาธิแล้วร่างกายร้อนสักพักก็หายรู้สึกตัวตอนที่ดันไปแล้วเกิดจากอะไรครับถ้านั่งนี่มันจะทาให้ร่างกายร้อนกว่าปกติถ้านอนนี่ร่างกายมันจะเย็นกว่าถ้าตายแบบไม่ทันรู้ตัวเท่ากับไม่มีความทุกข์ตอนตายหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เวลาตายทุกข์หรือไม่ทุกข์กันไม่รู้เ การออกจากระบบของกรรมคือการปฏิบัติตัวเองไปสู่ความว่างคือนิพพานในปัจจุบันได้ไหมครับจำเป็นต้องเปลี่ยนภพก่อนไหมครับไม่ต้องภพนี้เป็นภพสุดท้ายได้ปฏิบัติสินสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์กำจัดความอยากตางให้หมดไปจากใจก็ไปถึงนิพพานได้ในภพนี้ไปอาการอย่างไรที่แสดงถึงการเข้าฌานหรือจิตตั้งมั่นครับ เกงมีความนิ่งแล้วกะมีความสุขการให้ทานจะได้บุญมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ผู้รับใช่ไหมครับใช่อยู่ที่เราให้มากให้น้อยเนี่ยให้มากเราก็จะได้บุญมากให้น้อยเราก็ได้บุญน้อยจินตามยปัญญากับโยนิโสมนัิการคืออันเดียวกันไหมครับน่าจะใช่นะิโสมนัสการ พิจารณาด้ความนั่งพอดอันนี้น่าจะเขียนว่าช่วยอธิบายทางสายกลางไหมครับอาจารย์ก็เนี่ยทางสายกลางก็ทางสิ้นธรรมะที่ปัญญาเป็นทางที่อยู่ระหว่าทางสุดต อ, องสองทางทางสุดตองท่างทาง่ทานท่านน่าก็คือการดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขจากรูปเสีกจิ่นรสก็ดับไม่ได้ อีกทางนี้ก็คือการทรมานร่างกายให้ร่างกายจะบปวดแล้วจะทนทุกข์จะทนไม่ได้เช่นเดียวกันต้องทางสายการคือระหว่างทั้งสองทางนี้คือทางเสียนสมาธิอานิปารเจนสมัยก่อนสอนพระต่างชาติที่มาบวชในประเทศไทยด้วยวิธีไหนครับเราฟังได้ยังปฏิบัติยากมากเลยครับ ส่วนใหญ่เราไม่ได้สอนเขานอกจากเข้ามาถามมาคุยไปนั่งเทนแล้วก็แล้วก็มีการบันทึกไว้เป็นหนังสือแล้วสมัยนี้ก็มีการโพสเป็น Facebook เขาก็ศึกษาจากจากสิ่งเหล่านี้การเข้าฌานกับการฝึกสติต่างกันอย่างไรครับให้ผลเหมือนกันคือความสงบเหมือนกันไหมครับ คือการการเจริญสติเป็นเหตุเพื่อให้เข้าเข้าฌา น, นคือความสงบถ้าไม่มีสติก็เข้าฌานไม่ได้ฌานก็คือสมาธิความสงบนิ่งของใจคุณหมอวิเคราะห์ผลตรวจร่างกายของลูกผิดทําให้คณะกรรมการตัดสิทธิ์การเข้าเรียนของลูกทั้งทั้งที่สอบผ่านหมดแล้วต้องวางใจอย่างไรครับทุกมากครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาไปมีผิดพลาดได้สองปีที่แล้วผมปรารถนานิพพานมากๆจากนั้นผมป่วยเป็นมะเร็งรักษาเสร็จกลับไปทาผมประสบอุบัติเหตุขาหักรักษาขาเสร็จกลับไปทำงานก็เจ็บเล็กเจ็บน้อยมาตลอดครับผมควรปรารถนาน้อยลงไหมครับหรืออยู่กับปัจจุบันครับมันไม่เกี่ยวกับการปรารถนาไปนิพพานจะอย่างไรมันเปนเรื่องของวิบากของเรา เพิ่เอาจากงานประจําครับงานหนักมีหัวหน้าใหม่ไม่เก่งแมネจเมนต์ Management เลยครับกําลังขอย้ายไปที่ทํางานใหม่ขอเมตตาพระอาจารย์แนะนําทําใจกับหัวหน้างานอย่างไรเพราะใจเราไม่ชอบแต่ยังต้องทํางานอยู่ในห้องเดียวกันครับเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราดูความจริงของเขาเขาเป็นยังไงก็รับความจริงกันนั้นได้พยายามรับความจริงของเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็ต้องอยอมรับ มันดินฟ้าอากาศมองให้เข้าเหมือนว่ามืนเรามองดินฟ้าอากาศอาการน้อยเราก็ต้องอยู่กับมันได้บอาการหนาวเราก็ต้องอยู่กับมันได้าาออไดท่านนั่นเองแล้วเราปรับใจเราให้เ ข, าข้ากับเหตุการณ์ความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปเปลี่ยมาอยู่เรื่อยๆหากพ่อแม่เข้าวัดทําบุญถวายสังฆทานโดยตลอดช่วยเหลือสังคมกุศลผลบุญที่พ่อแม่ทํามาทั้งหมดจะถึงลูกบุตรหลานหรือไม่ครับ ไม่ถึงของใครของใครบุญใครต้องทำให้กนเอหนูเป็นล่ามจีนครับช่วยเพื่อนที่ทํางานแปลให้เจ้านายว่าโดนหัวหน้าบัญชีเอาเปรียบและโดนเขาโกหกว่ามีใบประกอบวิชาชีพแต่เขาไม่มีหนูคิดตั้งนานว่าจะช่วยเพื่อนร่วม ง, งานแปลดีไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ก็ไปเป็นล่ามให้ครับแบบนี้จะเป็นกรรมไหมครับคำถามนไม่รู้จะตอบยังงต้องของอภยัยด้วยนะ ถ้าชาตินี้ตั้งใจปฏิบัติถึงตายไปเพราะร่างกายเจ็บป่วยจิตยังจํากับการปฏิบัติได้ไหมครับเพื่อไปทําต่อในภพหน้าครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นมันสิ่งที่เราลืมได้ไหรือไม่ถ้าเป็นสิ่งที่ลืมได้มันก็จะอาจจะลืมได้ถ้าเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้มันก็จะไม่ลืมถ้าเป็นปัญญามันจะไม่ลืมถ้าเป็นความจำมันจะลืมได้ การฝึกเตรียมตัวตายเรียนว่า้ตายเกิดต้องทำอย่างไรครับการฝึกเตรียมตัวตายก็คือปฏิบัติสิ้นสมาธิปัญญาเนี่ยเขาเรียที่คเคยเตรียมตัวตายอย่างสงบตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเวลาทำสมาธิไม่คิดอะไรเลยแต่ดับวูบหายไปเกิดเกิดดับดับอยู่แบบนี้อย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์ ไม่ทาว่าวูบเป็นวูบแบบไหถ้าวูบแบบมีสติกันดีถ้าวูบแบบไม่ blind, ไมีสติก็ไม่ดีคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับบอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วมักจะเห็นวิญญาณเขาต้องการบุญหรือเปล่าครับถามคนหนึ่งเขากาดครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ 482ในยู300ในยู530ในคลับ6ในติกตอก530ครับรวม 1,548 คนนะครับพระอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้มาฟังธรรมเพราะว่าเขาจะได้ประโยชน์ทำให้เกิดปัญญาการแสดงสาระวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรใกเวลาขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิ้ยนไปเรณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจรนินก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ้าธุก็ขอลาคุณหมอแลนะท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงท่านนี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์นหน้าขอเจริญพรขอบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ